ตาสบายยกมือฟังไปก็ได้นะก็อนุญาตให้สวมหมวกได้หรือข้อหนาวหรอถ้ากันหนาวก็เหลืออะไรหนาวรูปหนาวไม่ใช่ไม่ใช่หนาวไม่ใช่ข้าพเจ้าหนาวไม่ใช่ตัวตนหนาวไม่ใช่กูหนาวไม่ใช่เมืองหนาวนีก็เรียกว่ารูปมันหนาวนี่ก็เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมแล้วเห็นรูปมันหนาวความหนาวก็คือรูปทีนี้ไอ้กายมันหนาวก็รูปมือนกัน รูปหนาวที่อะไรรูปหนาวก็นามเนี่ยเห็นอย่างนี้ก็เลยรู้รูปนามรูปนามรูปธรรมะนามธรรมะรูปธรรมชาตินามธรรมชาติไม่ใช่ตัวเราเนี่รู้เทียนว่าอันดับแรกก็คือวิปัสสนาการรู้แจ้งก็คือรูปรูปนามเองเป็นขั้นต้นเลยนะเป็นขั้นต้นที่รูรูปหนาวรูปเย็นน้ำก็ไปรู้ว่ารู้ว่าหนาวรู้วาเย็น รูปรูปรูปหนาทีนี้รู้ซื่อซื่อ่ไรูปเฉยเฉรูปเปล่าเปลรูปปกติรู้บริสุทธิ์รูปไม่นึกไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งไม่ไม่มียินดีไม่มียินร้ายไม่มีรักไม่มีชังรู้ตัวนี้เป็นตัวขั้นต้นที่ที่ของพันิผ่านเป็นตัวขั้นต้นของความความพ้นทุกความหลุดพ้นทุกความปล่อยวางทุกเป็นตัวท่ามกลางด้วยเป็นตัวสุดท้ายด้วยนี่หลวงพ่อจ้ า, จาคุณมหาลัย จบดเร์พระเนี่ยเขาเขาเรียกอะปอบประเด็นเอกประเด็นเอกก็คือดร์พระนั่นเองจะเป็นเก้าประโยคท่านพูดไว้ท่านไปไปฏิบัติการนักสิบปีแล้วก็ไปเจอทีดีหลวงพ่อเทียนยกมือให้ดูนะท่านอายเขาท่านสอนยุกหน่อฟ้องหนอสอนพุดโทหายใจเข้าหายใจออกสอนอย่างนี้คนสอนจํตาตําราเท่านั้นี่ยผมไม่ได้สอนที่ความรู้สึกที่ใจของเราไปนั่งคอหารในโซนยกมือสร้างจังหวะ ความคิดมันดับนะก็คิดปรุงแต่งคิดโลภคิดโกรธคิดหลงคิดจะสั่งสอนกเขะคิดยังไงมันดับมันดับไปเหมือนกันเห็นมันดับไปอ๋อไอ้ตัวรู้นี่เองไอ้ตัวรู้แจ้งรูจริงนึ่มันไปเปลี่ยนความคิดไปดับความคิดไปดับจิตปรุงแต่งนะก็คือความคิดก็คือทุกข์นี่องนะมันทุกข์ทุกแบบมันทุกแบบอะไอนิจจังทุกขังอันตาทุกข์พระใยรักถ้าทุกข์เพราะอยากเพราะทุกข์เพราะอยาก เขาตันหาเ น, นี่ยก็ เ, เรียกว่าทุกอเรียส ส, สีอเรีย ส, สสีก็เป็นพระต่ายหลักเหมือนกันเพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปเป็นอริจังทุกขังอริสามเหมือนกันยไปเหน็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปถ้ามีว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหม ด, ดย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาถ้าเห็นอย่างนี้ก็เดี๋ยวไม่ดวงตาเห็นธรรมแล้วพระอัญญากรสัญญาฟังฟังทั้มวิาจักกับวสูตรแล้วก็ ฟังที่มักวิ่งองแตกเนี่ยผู้ชายไทยได้ฟังไม่ดวงตาเห็นทําไปองค์แรกเลยแล้ก็เป็นพระสนบัณฑ์ไปแล้วก็เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นไปธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดด้อมมีความดับไปธรรมดาแต่สิ่งที่ใกล้ที่สุดก็สิ่งกายสิ่งใจสิ่งรูปสิ่งนามนี่เอเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้เห็นอย่างนี้แม้แต่เสียงที่พูดอยู่นี้ก็เป็นรูปเสียงเกิดขึ้นเนี่ยนาโม นากระดับโมกระดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอ๋อรูปเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปเอตินนามเกิดตัวรูปมกระดับตามไปเหมือนกันแต่ว่าน้าเบามันละเอียดนะมันเห็นไม่ได้มันจับต้องไม่ได้แต่มันรู้ด้วยใจแต่มันก็ดับเลยนะมันรู้ตัวหน้ามันกระดับไปพอรู้ตัวโมมันก็ดับไปเหมือนกันดับไปพร้อมกับรูปกับนามแต่นี้ทางอภิธรรมเขาบอกว่ารูปเกิดขึ้นสิเจ็ครั้งดับเกิดดับสิเจ็ดครั้ง อ, อรูปเกิดขับเกิดดับหนึ่งครั้งแต่นามเกิดดับได้สิเจ็ดครั้งเหมือนในขณะวินาทีเดียวติ๊กเนี่ยตัวตัวตัวรู้เนี่ยตัวนามเนี่ยเกิดดับได้สิบเจ็ดครั้งเหมือนแต่รูปเกิดดับแต่ครั้งเดียวมันไวกว่ากันทั้งสิบเจ็ดเท่าอ่าทีนี้ก็ให้เราดูกายที่ยกมือนเนี่ยนะอย่างที่อาจารย์งทงศิรีพูดขึ้นนะ่ะประเดนเกาประโยคมาถามว่ามันได้อะไรยกมือเลยนะยกมือได้อะไร เขาเรียกับสกัดรรพัญญาบัพพะดูกายขึ้นไหวนี่เขดูอากายใหญ่ท่าใหญ่เกันกายยืนกายเดินกายยืนกายเดินกายนาั่งกายนอนรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนเนี่ยอิริยาบถ ใ, ใ, ใหญ่เนี่ยเอาลองนั่งมาสินั่งนานๆไมกกก่กระด็กเนี่ยเจ็บ ก, กระดูกสันหลังเจ็บก้นกบใช่ไหมนี่อิริยาบถนิ่งๆอยู่น่ะไม่เปลี่ยนที่นะเป็นทุกขน์นะต้องเปลี่ยนให้มันต้องขยับให้มันประดับทุกข์ให้มัน ดับทุกข์ใหย้ยืนนานๆก็ทุกข์นอนนานๆก็ทุกข์เดินนานๆก็ทุกข์นั่งนานๆก็ทุกข์นะเอียบบทสิ่งนี้เราก็เทียนว่าอันนั้นมันเอียบทมันมันห่างไปมันมันมันช้าไปสินี้พวกเรานี่เป็นจิตหยาบน่ยต้องเอาสิ่งที่หนักหน่วงไวไวที่พระเจ้าท่านกําหนดรูปลมเหมือนกันเอากําหนดจิตที่รูปของลม หายใจเข้าออกหาจะออกเนี่ยจิตละเอียดพวกเราในจิตมันค่อนข้างหยาบหน่อยให้เอาลมมาเคลื่อนไหวที่มือเนี่ยอาการเคลื่อนไหวนี่คือเยกพลลมนะเคลื่อนไหวเนี่ยเนี่ยลมมันพัดมือที่เคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวที่เอาเคลื่อนไหวที่เท้าเนี่ยเขามาเปลี่ยนกัน็คืออริยบทเดินหน้าถอยหลังอ่าเ ล, ลี้ยวซ้ายแลีขวาหนุ่งสวงทรงจีบอลซ้อนสังคติอะไรก็ให้รู้สึกตัวไงดุจพบาทให้รู้สึกตัวอันนี้ก็มันเขียนกระดับมาใส่เอา สิจังหวะสิบสี่จังหวะมีสองจังหวะแค่นั่นเองจังหวะเคลื่อนไหวกับจังหวะหยุดนิ่งแค่นั่นเองเนยียนับไปิดร้อยสี่สิบพันสี่รอยมืแปดพันอะไรก็กแค่สองจังหวะแค่นั่นเองเคลื่อนแล้วรู้ก็รู้เดียวรู้สึกเคลื่อนก็รู้สึกอยู่ก็รู้สึกเลยนี่ยถ้ารู้สึกเป็นสองรู้สึกพอใจไม่พอใจนั่นเป็นรู้สึกของตงโงเป็นตัวสุกตัวอ ว, ว, ว, วิชาตงโงตัวหลงลวงปูขับเขียนพูดชัดที่สุดคำหนึ่ง ถ้าโกรธก็คือโง่เองเราก็คือรักก็คือชั่งก็คือโง่ตัวอะไรที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจตัวพอใจก็คือตัวโง่ตัวไม่พอใจก็คือตัวโง่ตัวยินดียินร้ายคือตัวโง่ก็คือมันตัวจากอวิชชาเองอันนี้ให้เห็นว่าโง่ประยุทธ์ว่าตัวเราว่าเราดีใจเราเสียใจเราโกรธเราโลภเราหลงเนอะมันมาพร้อมกันตัวโลภตโกรตัวหลงอตัวโลภเกิดขึ้นกับตัวหลงมาด้วย โตโกเติดขึ้นก็ตกลงมาด้วยหลงว่าเป็นสัตว์บคคลตัวตนเราอหลงว่าเป็นตัวเราซึ่งพระบอกว่าให้เห็นเฉยๆดูเฉยๆก็วิปัสสุรุกัสสรู้จะรัดรู้ก็รู้แจ้งก็คือรู้แจ้งที่ใจนี่เองใจมันเคลื่อนไหวยังไงหรือมันนิ่งอยู่ยังไงมันเคลื่อนไหวไปดีใจเมื่อเคลื่อนไหวไปเสียใจเคลื่อนไหวไปรักเคลื่อนไหวไปชังหรือว่ามันปกติมันเฉยอยู่มันเฉยอยู่กับมันก็ว่าง่ะ ว่างจากอะไรว่างจากกินดีว่างจากกินไล่ว่างจากรักว่างจากฉังนั่นก็เห็นความว่างนัเองความว่างคืออะไรความว่างคือวันนิพพานนิพพานังประมังสุนหยั่งนิพพานว่างอย่างยิ่งว่างจากความนึกคิดบุงแต่งว่างจากกินดีว่างจากกินไล่ว่างจากแพ่งโทษแพ่งคุณว่างจากรสริินทาว่างจากกล really ัวว่างจากกุ้มว <licher eller> ่างจากทุกสิ่งทุกอย่างนี่นิพพานคือว่างจากทุกนั่นเอง ถ้าใจเราขนาดนี้รู้สึกซื่อๆรู้สึกเฉยๆที่มือเคลื่อนไหวหรือมือจุดเนี่ยเนี่ยรู้ตัวนี่แหละเขาเรียกว่าจิตได้สัมผัสปลลวิพญาณหรือเป็นขณะเป็นขณะเป็นขณะไ ป, ไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปช่วงขณะที่พลระเผลอเผลอปับ๊บไปยินดีไปเจ็นร้ไปเจ็บแข้งเจ็บขาปวด้นมาขาวเราปวดขาเราเจ็บนั่นนนนอัั้ตัวโมหะเข้ามาแทรกแล้วเ่วิญพาณหายไปแล้ววิพญาณมันอยู่ม่มีอยู่มีอยู่ตลอดกาล นิพพานไม่ปรากฏว่าเกิดขึ้นไม่ปรากฏประดับไปแต่มีอยู่เป็นอนันตการมีอยู่ทุกขนาดเลยแต่นี้ตัวกิเดชไอตัวโลกตัวจิตปลุกแต่ง่ะตัวโลดประกฏตัวหลงมันเข้าไปบังเฉยมันเข้าไปบังไว้ก็ตรนี่ไปเห็นเป็นตัวโลดประกอบตัวหลงขึ้นมาตัวพอใจไม่พอใจขึ้นมาเกิดขึ people, land, like ้นปุ๊บเด็ดเดียวคะแนนแต่ตัวหลงเลยนะตัวหลงว่าอ๋อเป็นตัวเราเราหนาวอย่างเงี้ยข้าพเจ้าหนาวกู้หนาวอย่างเทีนี้ ตอนน้เขาเรียกว่าอหางการละแปลว่าข้าตัวเราหนาวมัมมงการละแปลว่าของเราเหนาวของแขนแขนของเราเหนาวหูของเราเหนาวจัูกของเราเหนาวอย่างนี่ยอาหางการละตัวตนหนาวตัวตนของเราหนาวอาหารการละกูหนาวมามมังการล ะ, รอรล ะ, อะนนของกูหนาวของกูเนี่ยกูโกรธใจของกูโกรธอย่างนีเดี๋ย i making เขาเรียกว่าอาหารการะแปลว่าแปลว่ากูแปลว่าแปลว่าตัวกูของกู m y m แ k i n g ้งแปลว่าของกูนะ M มเ i ็มไยนะมด์ไม่แมะแปลว่าของกู I ตัวไตัวเดียวหรอไอแมกกิ้งแปลว่าตัวกูวอนนี้เขาเรียกว่าตัวกูของกูนี่แหละตัวฉันของฉันตัวค่อยของ่อยตัวค่าของค่าตัวตนของตนนี่ยมันรวมอยู่ในตัวอาหารการะมังคาระ ที่ให้ร่าจดได้พระปัญจั บ, บคีรฟังธรรมะเรื่องขันห้ารูปรูปก็คือร่างกายเวทนาก็คือจิตเสวยสุขสวยทุกสัญญาคือความจําได้หมายรู้สังขารคือความนึกคิดปงแต่งแล้วก็วิญญาธาตุรู้เนี่ยทีนี้ในในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณเ ม, มื่อก็บวิญญาณแทรกอยู่เนะี่ยไม่โตรู้อยู่นะเข้าไปรู้สุขรู้ทุกข์เนรู้จําได้ รู้จําไม่ได้รู้คิดได้แล้วก็รู้รู้ซื่อซื่อรู้เฉยเฉยรู้เบาเบาไงนะตัววิญญาณที่แรกที่มันไปรู้อารมณ์นะมันจะรู้แบบบริสุทธิ์อยู่รู้สื่อซื่อรู้เฉยเฉยรู้เปาเบารู้ปกติรู้บริสุทธิ์อยู่นะทีนี้พอมันขณะที่สองขณะที่สามตัวหลงมาเกิดขึ้นเนี่ยพราะไอ้สิ่งที่มาสัมผัสร่างกายนะเป็นอารมณ์ที่นิ่มๆอารมณ์สวยๆอารมณ์นั่ขึ้นมามันก็เกิดเออสบายดีนสุกนะมันก็ไปติดศกติดราคะ ติดกรรมน่นปฏิฆาเนี่ยพออารมณ์ที่มากระทบมันหยาบมันแสบเผ็ดเหมือนก็โกรธไม่พอใจน่าก็ติดทุกข์เข้าไปธนาเข้าไปแล้วน่ะเทศนาได้รู้สึกายเนี่ยก็รู้สีกใจเนี่ยไม่ใช่รู้สีกอื่นไม่ใช่รู้ตามตำราไม่ใช่รู้ที่คิดเอานะาไม่ใช่รู้ที่เดาเอาเลยนะมารู้ที่พรรษาตรงๆเลยวิธี่พรรษาที่เนี่ยเจนีิก็ตาลูกสวยเนี่ยมันส่งกระบรูปกระทบตาใจเฉย รู้เฉยๆสวยก็เฉยๆเช่นนั้นเองนะไม่สวยก็เช่นนั้นเองเห็นะไม่ไม่ไม่เปรียบเทียบอันนี้สวยอันนี้สวยกว่าอันนี้อันนี้ขี้เละกว่าอันนี้ไม่เปรียบเทียบเนะ่เช่นนั้นเองนะตาตาเขาเห็นแล้วก็ตาตามันเป็นเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองนะสวยก็เช่นนั้นเองไม่สวยก็เช่นนั้นเองเหตปัจจัยมันทําให้เป็นเช่นนั้นเองนะเสียงกระทบหูเสียงเพาะเสียงเพลงเสียงละเสียงด่าอย่างนี้ก็แล้วแต่เฉยรู <derni ers> <im noi> ้แ <these> ล้วก็เสื่อมเสียงกระทบหูก็ใจก็รู้เฉยๆ ในีัภาษากระทบกินกระทบจมูกเหม็นหอมอุจจาระปัสาวะน้ําหอมขวดละสามแสนอะไรก็ช่างกระทบแล้วก็เฉยรสอาหารอร่อยไม่อร่อยกระทบเล่นแล้วก็เฉยสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนุ่มเนื่อขนาดเนี้ยความเย็นกับลมสัมผัสกายอยู่สัมผัสรูปอยู่เนี่ยเฉยเสอารมณ์ดีความนึกคิดดีที่กระทบที่ใจกล้ใจก็เฉยเสีเนี่ยรู้สักว่ารู้สักว่าดูสักว่าเห็น ไม่เป็นไรเนี่ยเพราะเขาเขียนบอกเหตุเฉยไม่เป็นไร Blaze. ไม่เป็นไไม่เป็นดีไม่เป็นชั่วไม่เป็นไปถูกเห็นรู้อยู่เย็นก็ใจก็เฉยอยู่ร้อนใจก็เฉยอยู่ไม่ใจไม่ Som bah, re, ไม่ปรุงแต่งอะไรลูกซื่อๆรู้เฉยเปล่าเด็กก็ข้าเียว่าพู้เจ้ากว่าจะไม่มีตัวตนตัวเธอตัวเราอยู่โลกนี้ไม่มีตัวตนตัวเราอยู่โลกอื่นไม่มีตัวตนตัวเราอยู่ระหว่างโลกสองนี่แหละคือที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งทุกข์คือก็ใจซื่อๆนี่เอง รู้ซื่อซื่อรู้เฉยเรู้กระเป่ารู้ภสษารูปปัจจุบันขนาดนะไม่ใช่นึกเอาอดีตมานึกเอาอนาคตปรุงแต่งมาไม่ใช่รู้รู้ของจริงที่นี่เลยที่นี่เดี๋ยวนี้ขณะนี้เลยนะนี้ขณะนี้ร่างกายหนาวรูปว่าหนาวเนี่ยใจนาวเข้าไปรู้ไยรู้เฉยไหมอะดูสิดูตัวเองถ้าใจมันเฉยจ้ไม่โกรธไม่โกรธไม่กลงไม่กลัวไม่กุ้มไมยไม่กังวลนั่นแหละใจได้กระทบภายนผ่านแล้ว ก็พบตัวว่างกิเลสแล้วให้ดูที่นี่รู้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่รู้นึกเอาคิดเอานะรูที่นี่รู้เดี๋ยวนี้พระนิพพานคือความสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะสิ้นราคะสิ้นกามสิ้นความรักความกําหนัดคนยินดีนะ่างเงี้ยสิ้นความโลภอะ่างเงี้ยสิ้นโทสะก็คือสิ้นความโกรธภัยบาตรงูกลิ่นงูงันลำขาดอ่ะกูแล้วเว่อกูรู้เสียงอ่ะสิ้นไปไม่มีนี่โมหะก็ไม่สิ้นตัวตน ทิ้งความหลงว e ่าเป็นตัวเป็นตนไม่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีแต่รูปนามเท่านั้นนามะรูปัง ร, ร, รูปกายไม่เที่ยนนามะรูปังรูปกายทุกขังไปทุกทอจ่างทนลำบากไม่ทนแล้วก็ทนไม่ได้นามะรูปังอนัตตากายใจไม่ใช่ตัวตนของเราก็เลยว่าสัพเทสัมมาอนัตตาทำทั้งอายทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทั้งสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งกิเลสนี่ก็ไม่ใช่ตัวตนนะ ความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวตนพระนิพัน์ก็ไม่ใช่ตัวตนแต่พระุนิพานธนั้นเที่ยงนะเถี่ยงแล้วก็เป็นสุขคือเนี่ยเถี <ok well, ่ยงเป็นสุขแล้วก็แต่ว่าไม่ใช่ตัวตนความเที่ยงก็ไม่ใช่ตัวตนความสุขก็ไม่ใช่ตัวตนความพ้นทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวตนพันธุ์ก็ไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันเป็นสภาวะธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้นนะคงที่อยู่จากนั้นเหมือนกับสุญญากาศน่ยนะมันมีอยู่แต่ทีนี้ดินนั่นลไฟ พวกธาตทั้งสี่มันปรากฏขึ้นมามันก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาร้อนมากร้อนน้อยร้อนหนาวแข็งมากแข็งน้อยแบนี้เนี่ยแบนทําน้ำสมุนไพรเดี๋ยวถล่มถลายไปเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นน้ําก็เปลี่ยนเป็นถูกความร้อนก็เปลี่ยนเป็นไอไอร้อนพูดอากาศถูกความเย็นก็ตกลงมาเป็นฝนมันเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นะแต่ความว่างนะก็ว่างอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมีความบ่างกับฟิวันนี่พวกมีแต่วัตถุ พวกรูปเนี่ยเข้าไปแทรกแสงอยู่ในความว่างเนี่ยความว่างก็อย่างนั้นในขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันก็ว่างอยู่เพราะมันเพราะไม่มีความว่างได้รูปกายมันจะนั่งอยู่ได้ยังไงมันก็นั่งอาศัยความว่างอยู่นีความว่างจึงเป็นที่พึ่งเป็นที่เป็นที่อาศัยอันนี้กือบรรยการภานในพานว่างจากกิเลสว่างจากทุกเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยของเราเป็นที่อาศัยของใจผูกของเราเนี่ยมันก็เข้ามาตัวตนอีกนะเข้ามาเอาเอากายกับ เอากายกับใจเอารลกกับนามเป็นตัวตนอีกหนึงเป็นที่อาศัยของของโลกของนามเป็นที่พึ่งทําให้โลกบรรเถาทุกข์ทำให้นามมันเถาทุกข์เกินไปเป็นที่พึ่งนะพึ่งก็คือคือไม่ทุกเองนะถ้าเราพึ่งทีนี้ที่พึ่งมันมีสองอย่างที่พึ่งทำหน้าทั้งพึ่งพึ่งทั้งโลกทั้งโลกก็พึ่งเงินพึ่งทองพึ่งข้าวพึ่งของพึ่งสามีภรรยาพึ่งดินน้ำลงไฟพึ่งปัจจัยสี่อาหาร เรื่องดูดหมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเนี่ยในที่พึ่งทางโลกเนี่ยที่พึ่งทางวัตถุที่พึ่งทางใจก็คือตัวสติความรู้สึกตัวสื่อนี่อนเองคือพันธิภานเองนะอธิพานที่เองจริงจรใครก็จะมีที่พึ่งยังไงนะมีเงินเป็นแสนล้านก็ยังทุกข์อยู่เพราไม่มีที่พึ่งนะจนเป็นขอทานอยากจะได้เงินได้ทองก็ไม่มีที่พึ่งเหนะมือนกันเพราะไม่ไม่เห็นว่ารูกนาม รูปนามที่รวยขนาดไหนก็ต้องแก่เจ็บตายรูปนามที่อยากจนขนาดไหนก็แก่เจ็บตายรูปนามที่สวยขนาดไหนก็แก่เจ็บตายรูปนามที่ขีเลยขนาดไหนก็ต้องแก่เจ็บตายรูปนามทีม่มียศเป็นแต่กระพัด ก, ก, ก็ต้องแก่เจ็บตายรูปนามไม่มีไม่ยศฐานบราศักด์ก็ต้องแก่เจ็บตายเนี่ยไปอันเดียวกันหมดเลยที่แก่เจ็บตายก็คืออะไรก็คืออเนจังทุกขังอนัตตาของรูปของนาม น, ะะนะะั่นเองทีนี้ให้เป็นทำให้หมดเลยด่ fan, า เขาด่าเขาาแช่งแล้วเขาอะไรเขาเขาตีคำว่าเราธรรมะเหมือนกันแต่เทีนธรรมะฝ่ายอะธรรมเลยทีนี้ที่เราไม่ไม่โรคไม่โกรธไม่หลงไม่ทุกข์เนี่ยก็เป็นธรรมะฝ่ายพ้นทุกข์เนี่ยถ้าใครจะเป็นสาวกเป็นลูกศิษย์เป็นลูกพระพุทธเจ้าเป็นลูกพระธรรมเป็นลูกพระสงฆ์เป็นลูกของพระดิพานนะมี่เขาเปรียบเทียบพระจิตอย่างนี้นะถ้ามีโจรผู้ลายมันเอาเรื่อย จับสองมือจังเลื่อยที่ตัดไม้น่ะมาตัดขาหรอตัดขาเลื่อยทิศทิศทิทนะกระดูกเลือดออกไหลเจ็บแป๊ดแป๊ดอยู่เนี่ยนะขาให้โจรสองคนเนี่ยผู้ร้ายสองคนเนี่ยตรงเป็นสุกเป็นสุขคนทุกเถิดจะได้ไม่เป็นสังขารเดียกันเลยต้องแผ้ไม่ตายอย่างนี้ถึงจะเป็นลูกศิษย์พระเจ้าถ้าไปแช่งเขามันจะแช่งเขากดโมโหฉุนเฉียวเนี่ยแช่งโจร น, นปปปปจะว่ากูหลุไปกูจะฆ่ามึงเนี้ยนั่นไม่ใช่สาวกไม่ใช่ลูกศิษย์พระเจ้านะไม่ใช่เลย ไม่ใช่ต้องแผ่เมตตาให้โจรผู้ร้ายสองคนเนี่ยจมเป็นสุขเป็นสุกเถิดยังใด้มีเวีสยงเส้นขาดอะกันเลยแต่กระทั่งตัดคอเราตายนี่แหละนี่แหละเป็นพรมสิน่ะเป็พรมเป็นพรมแล้วคือเมตตาเนี่ยทีนี้ภิกษุไม่ติดในความเป็นพรมนะไม่ติดไม่ติดมาไม่เมาอยู่ในความแผ่เมตตานะไม่เมาอยู่ในว่าชีวิตว่าเขาเลื่อยเราตายจริงๆรูปน้ําเนี่ยรูปนาที่ไม่มีสติโจรสองคนเน่ยเป็นรูปน้ํามโง่โง่เลย เอาจับเลือยมาตัดรูปนามของพระอรหันต์ที่กําลังนอนตับอยู่เฉะรูปนามพระอรหันต์ก็รูปนามที่พ้นทุกข์แล้วไม่มีปัญหารูปนามของโจนผู้ร้ายของคนโง่ก็ก่อเหตุให้เกิดทุกข์เกิดร้อนเรื่อยไปเช่นนี้ถ้ามปฏิบัติฐานสันติเทียนท่านมีสติรู้สึกตัวซื่ออะไรกระทบตาหูจมูกเล่นไกใจทั้งดีไม่ดีชั่วร้ายขนาดไหนแสบเป็นขนาดไหนทุกข์ขนาดไหนศพขนาดไหนกระทบเฉยนั่นแหะผู้นั้นจิตได้กระทบพระนิพพานแล้ว ก็ตายเป็นตเป็นอราหันชั่วขณ ะ, ะเขาเียกตะทางคับวิมุตต์จิตโดดพ้นชั่วขณะชั่วขณะชั่วขณะยังไม่เด็ดขาดถ้าเด็ดขาดแล้วก็ทุกวินาทีตั้งแต่วินาทีีเป็นต้นไปจนถึงตายจนถึงว่าร่างกายรูปหนาวนี้มันแตกดับก็เรียกว่าตาย น, ะนั่นก็เรียกเป็นพาลอาหารก็เด็ดขาดแต่พวกเรานี่ยไม่เด็ดขาดเข้าใจไหมไม่เด็ดขาดอยู่ทีนี้เราก็วิมุตต์แบบรู้บ้องไม่รู้ว่างเนยะที่เราเฉยเฉยอยู่เนะี่ยใจรู้สื่อๆเฉยเฉยจนที่อาจารย์ทรงเส้นถามว่า ยอมยกมือทั้งวันนะรู้อะไรไหม א? ไม่รู้อะไรมาแต่ว่าขยันทําไปอย่างนั้นน่ะที่จริงมันก็รู้อยู่นะก็รู้ว่า ก, ก็ก็รู้อยู่รู้ตัวเสื่อเสืิมันก็รู้อยู่นะ <c oughs> <nder aucun> แต่ว่ามัน IL <c oughs> มันจะให้เป็นรูปเป็นแสงเป็นเสียงเป็นเป็นทานแบบพวกที่สอกสอนบอกว่านี่ผานเป็นจักรวาลแกล้วนี่ผานเป็นจกักรวาลเพชรอะไรงี้ยนะนั่น <c oughs> น่ะให้เห็นเป็วัตถูุไปหมดเลยเป็นรูปไปหมดเลยที่นี่ทจริงไม่ใช่นะนิพผานมันอยู่เหนือรูปเหนือนาม มันอยู่เหนือพวกนี้เป็นตัวซื่อๆที่ตัวเฉยๆเปล่าๆโจทที่บริสุทธิ์เนี่ยจิตไปสัมผัสจิตใจไม่ใช่ปัญญาแต่ว่าใจไปสัมผัสความไม่ทุกข์ขึ้นมานั่นแหละจิตใจไปสัมผัสปัญญาก็เรียกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับปัญญาก็ได้ก็ไปสัมผัสไปสัมผัสอย่างนี้ให้สังเกตดูที่ตัวเราเนี่ยถ้าใครด่าอย่างหลวงพ่อเนี่ยนหลวงพ่อบุญธรรมเทศให้ฟังจับได้แม่นเลยถ้าคนมาด่าเราหลวงพ่อสงสุขหลวงพ่อหมาเนีย ลงพ่อแมวลงพ่อหมูลงพ่อเป็ดอะไรนะด่าเงนะถ้าเราไม่โกรธถ้าโยไม่โกรธใจโยเป็นพระแล้วเงี้นเป็นพระแล้วเหมนกันได้กระทบพอดีพาะแล้วเงี้ยแต่นี่คนที่ด่านนั้นเขาโกรธเขาเป็นเขาเป็นหมาเป็นคนเดียวเนี่ยแต่คนที่ด่านั้นแก้งด่าเราทดลองเราเขาก็ไม่เป็นหมาเหมือนกันเขาทดลองเราเขาทดลองเราเงี้ยทดลองใจเราว่าเราจะโกรธหรือเปล่าเนี่ยถ้าคนด่านนั้นโกรธแล้วก็คนด่าเป็นหมาคนเดียวถ้าคนโทรด่าไม่โกรธคนดูดด่าเป็นพระถ้าคนด่า ก็แบแท่งเขาดูเหมนเขานอะใจงโงลงเนอะคนด่าก็เป็นหมาที่คนคนถูกด่าโกรธคนถูกด่าก็เป็นหมาดับเบิลหมาและหมาสองตัวนะดับเบิลหมาไปเลยเห็นทีนี้ถ้าเราไม่โกรธเลยใจได้ชเชแล้วเป็นพระแล้วพระใจชนะกิเลสแล้วก็จะคำว่าพระมาจากคาว่าระแปลว่าเสดใจอยู่เหนืออารมณ์นั่นเองอารมณ์สารเสรดอารมณ์นิทาอารมณ์ติอารมณ์อยู่เหนือหมดเลยนี่แหละอยู่เหนือก็คือหลุดพ้นหลุดล้นคือต่อไม่ติดลุงปะเทียนมาตัดขาดนั่นเอง เราตัดขาดเทียบเส้นขึ้นต้นไม้สองเสาสองต้นคือต้นนี้แล้วเขาไม่ตัดตรงกลางดึงมาต่อก็ไม่ติดนะนะอันนี้ก็เหมือนกันอารมณ์อารมณ์สุขที่สุดมาต่อมากระทบตาหูจมูกริมลิ้นตรงเถียนแล้วที่มันเฉยเฉยก็ต่อไม่ติดมันคัดท่ามันไปรักไปพอใจนะเขาต่อติดเข้าใจไหมถ้าก็โกรธยังไงก็ต่อติดเนี่ยคนนั้นเปเชื่อเอดส์อยู่แล้วเป็นโรคแพ้กิเลสอยู่แล้วเป็นโรคเอดโรคพูดแพ้อยูลมาดาเราทีนี้ถ้าเรา ไปติดไปประกฏโมโหกันติดติดโรคเอชเข้าไปแล้วน่ะโรคภูมแพ้เข้าไปแล้วประกวดเนี่ยนี่หลวก็เทียนสรรเสริญก็ไม่ติดนิ่ทาก็ไม่ติดน่ะต่อไม่ติดตัดขาดแล้วตัดขาดก็คือหลุดพ้นนั่นเองนั่นแหละคือพ้นก็บชนีดมันุดพ้นเพราะอะไรหลุดพ้นเพราะตัวสติเข้าไปรู้แจ้งอารมณ์เลยไปรู้แจ้งตรงผัสสะนี่เข้าใจไหมแน่แน่ผัสสะตัวรู้ตัวเนี่ยต้องฝึกให้ให้คลแคล่วว่องไวเข้าไปหลวงพ่อคำเทียนหลว เห็นไม่เป็นนะเห็นไม่เป็นเห็นสักว่าเห็นสักสักแต่ว่าเห็นเห็นเฉยๆสักว่าเห็นสักว่ารู้สักว่าดูสักว่าเห็นสักว่าดูสักว่าดูสักว่าเห็นตาสักว่าเห็นเห็นแค่เห็นหูสักว่าเสียงเสียงแค่เสียงสักว่าเสียงสักว่ากินสักว่ารสสักว่าสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งสักว่าดูอารมณ์สักว่าสึกสักว่าทุกเฉยๆนะคำว่าสักว่าสักแต่ว่า เขาว่าตภาษาบาลีเขาเรียกตถตาเช่นนั่นเองตาตาตาตากระแดตาตากระแดเป็นเช่นนั่นเองเช่นนั่นะเราพ่อขงเสียนใช้คาอะไรเออเออคือรู้แล้วน่ะรู้แล้วก็เฉยนะอืออหลวงพ่อขงเสียนใช้คำาอืเออตัวเดียวงันเออเออเซ็นเป็นอย่างอย่างอย่างไรพุทธมรรค พองเนอยกเนอดีใจเนอเสียใจยหนอนั่นเป็นตัวบุติกรรมเปตัวบนไปหายใจเข้ากับพูดหายใจออกโทนั่นเป็นตัวบริกรรมก็ออก เ, ปกมเป็นความคิดเหมือนกันนะออกมาสีนี้สายามเสียนั้นไม่ให้มีความคิดนะไม่ให้มีบริกรรมให้เข้าไปรู้เฉยเฉให้ตัวใจเข้าไปรู้ให้ธาตุรู้คือจิตใจเน่ยเข้าไปรู้เฉยเนะเสร็จแล้วมันรู้มันรู้สิ่งอื่นแล้วมันก็ย้อนมารู้ตัวมันเองนะมันมรู้สิ่งอื่นรู้ข้างนอกรู้ผลกระทบสิ่งหนึ่งก็รู้ว่าตัวเอง ตัวเจ็บตัวใจมันเฉยไปนั่นแหละมันดูสิ Mid ่งอื่นแต่มันก็ย้อนมาดูต ال ัวเองเมื่อเราดูกระจกนะซอมกระจกไปเห็นรูปแต่ในกระจกนั่นแหละก็เห็นหน้าตัวเองเห็นก็เห็นเราก็เหมือนกันเราก็ดูสิ่งอื่นถ้าเราพอใจในสิ่งที่เราสืบดวงนั่นแหละใจเราเกิดก็เห็นใจเรา่าใจมันเกิดคอาพอใจถ้ามันไม่พอใจก็เห็นหนใจว่าไม่พอใจถ้ามันเฉยเฉยก็เห็นว่ามันเฉยเฉยนั่นแหะมันก็ท้อนมาให้ดูเองเลยนั่นแหละตัวนี้เขาเรียกว่าตัวตัดสรูปตัวกัดสรู้จะหลัดรู้ รู้แจกแจ้งรู้แจ้งอารมณ์นั่นเองรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจนันรู้สิ่งที่มันไม่เกิดขึ้นในใจคือมันเฉยอยู่เน่ะสิ่งใดสิ่งดีมากระทบก็เฉยมันไม่เกิดดีใจขึ้นสิ่งชั่วร้ายทุกมากรบก็เฉยไม่เกิดดันขึ้นมานั้นก็เรียกว่าชาติสิ้นแล้วไม่มีอะไรมาเกิดขึ้นในใจบางคนชาติสิ้นแล้วหาว่าตายเนาะตายแล้วไม่เกิดอีกมันนั่นมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นปัจจุบันไม่ใช่เป็นนั่นต้องที่นี่เดียวนี้ขนาดนี้หละ เวลาสิ่งที่ดีๆสุขๆมันกระทบใจใจมันเฉยเนาะนั่นแหะไม่มีชาติดีใจชาติรักชาติพอใจเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมทีนี้พอสิ่งที่ชั่วๆมันกระทบชาติโกรธชาติโลภชาติหลงมันไม่เกิดขึ้นในใจเลาเห็นไชาติโมโหชาติทั่เสียวมันไม่เกิดขึ้นแล้วชาติสิ้นแล้วพระเจ้าเมื่ออายุสาสิห้าปีตัดสู่เป็นพระเจ้าบอกชาติสิ้นแล้วความเกิดสิ้นแล้วทาไมไม่ตายหรอพระเจ้ายังสอนพวกเรามาตั้งสีิบห้าปีเห็นไหมชาติตัวนี้เนี่ย ชาตความคิดเนี่ยไม่ปรุงแต่งมันไม่เกิดขึ้นแล้วนะกระทบเนี่ยเจอเนี่ยเจอทีนี้เหยื่อโยนนั่งอเนี่ยนั่งเนี่ยนั่งโยนเนี่ยก็เฉยเฉยก็รูปน้าเฉยรูปกับน้ำเราเห็นแต่รูปน้ำเราไม่เห็นแต่เราเห็นน้ำเนี่ยตัวใจมันตัวรู้เนเห็นที่นี่เห็นตัวเองได้เห็นทั้งรูปทั้งน้ำแต่เห็นผู้อื่นเห็นแต่รูปอย่างเดียวเห็นแต่รูปอย่างน้ำเราไม่รู้เราไม่เราไม่รู้สึกของเขาไม่รู้สึกเพาะ ไม่รู้สึกสุขแทนเขาทุกข์แทนเขาพอใจแทนเขาไม่ไม่นักไม่เห็นไม่รู้รูปเฉยๆรู้ตัวนี้ที่โยงมองหลวงพ่อเนี่ยมองพระเนี่ยเห็นแต่รูปเฉยไม่เห็นนามเลยนะแต่มองตัวเองเห็นทั้งรูปทั้งนามนั่นเห็นธรรมะเลยนะแต่นี้รูปนามมันหนาวรูปหนาวเนี่ยใจเป็นยังไงรูปหนาวก็เฉยอยู่นั่นแหละไม่มีปัญหาหรือพ้นทุกข์หรือพ้นการปรุงแต่งหรือเนี่ยชาติชัด ชาต the <group> ิโกรธหนาวชาติไ e ม well so ่พอใจหนาวไม่เกิดแล้วเข้าใจไหมตัวนั้นไม่เกิดขึ้นหรออาลงไม่พุ่งแต่งหะมันเฉยอยู่น่ะนะไม่รักมันชาติรักก็ไม่เกิดชาติชังก็ไม่เกิดชาติพอใจก็ไม่เกิดชาติไม่พอใจก็ไม่เกิดนั่นเลยนั่นแหละชาติสิ้นแล้วก็คือว่างมันเองว่างจากความพอใจว่างจากความไม่พอใจว่างจากความยินดีว่างจากความยินร้ายว่างจากความรักความชังนะว่างจากความพอใจพอใจนั่นแหละตัวว่างก็คือภายในพานหลวงพ่อ เทียนโทษว่า ด, ดีใจหัวเราะก็ทุกข์หนุนหัวทุกข์นะร้องไห้ตัวพ้อยอใจก็ทุกข์ว่ะไมจึงว่าทุกข์ล่ะทีนี้นางวชิราเถรีฟังธรรมะพรุทธเจ้าฟังแล้วก็สรุปทุกข์ท่านนั้นเกิดขึ้นทุกข์ท่านนั้นตั้งอยู่ทุกข์ท่านนั้นดับไปนอกจากทุกข์รอดคือผลิพานไ ม, ไม่ไม่เกิดไม่ดับมียน อ, นกกอยู่อนันตกาลหนุอ๋อก็ได้เข้าใจเลยนะ่ยหัวราะก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ร้องไห้ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แต่ไปดีใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปเสียใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่ไปอ๋อมันทุกเท่ากันเลยเพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่ไปสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่ไปนั่นคือเรียกว่าทุกอะไรก็แล้วแต่หัวเราะมาได้ก็ถูกลวไวลงมัาชนันทุกตายก็มีหัวเราะจนตายเห็นดีใจตายช็อกตายเห็นไหมใช่ไหมล่ะเสียดีใจก็ตายเหมือนกันก็ขึ้นตั้งอยู่ต่อไปเหมือนกันอ่สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปอุปาทะก็เกิดขึ้้นที่่ตติังชวะ พังคาไปวัดับไปนะภาษาไทยเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปภาษากรีกอะไรสิ่งเกิดขึ้น exciting moment ตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วก็ f a l l แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปถ้าแน่ให้เห็นอย่างนี้ก็มีดวงตาเห็นทําเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปคืออะไรก็คือสภาวะของรูปของนามมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เดิไปแล้วก็เห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นประไตรลักษณ์เลยเห็นพระไตรลักษณ์นะครับไม่ไม่มีอะไรไปเราเลยมิจฉาไตรลักษณ์หมด ธรรมะอนิจจธรรมะทุกขงังธรรมะตาธรรมะคือกายธรมยรมะคือใจอนิจจทุขังนะตาที่นั่งอยู่นี้ไม่มีตัวตว Además, ในใครเกิดอยู่เลยแต่มีตัวโง่เท่านั้นที่เกิดขึ้นเกิดทั้งตัวตนนะผู้จ้าว่าเราบัญญัติว่ามีคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเฉพาะคนที่โง่มีอุปทานเท่านั้นคนที่หมดอุปทานแล้วคือพระหันไม่มีตัว ต, วตวนเกิดเลยที่เขาถามมาพระหันตายแล้วไปไหนคําตอบออกมาคืออะไรลูกเมตนาสัญญาสังขาร ขันห้าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปน่ะ ไ, ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปเกิดไม่มีอะไรสูญเลยใช่ไหมมีแต่ขันห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ตไปมีแต่ธรรมะคือขันห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ตะไปแค่นั้นเองไม่มีตัวตนไม่มีตัวกูไ ม, ม่มีตัวเมืองเกิดขึ้นตั้งอยู่ตะไปเลยน่ะไม่มีอะไรเลยนีที่พวกเราได้ไปยึดกันอย่างงั้นอย่างนี้กันไปถูกเขาหลอกเนี่ยนิพพานชาติหน้าสวรรค์ชาติหน้าเอาเงินไปซื้อกันเนี่ยผัวกับเมียทะเลอกกันแทบตาย อยากจะไปนิพพานเนี่ยนะหลอกการละกิเลสเนี่ยละโรคละโกรดละหลงไม่ได้เสียเงินแม้แต่บาทเดียวรัฐบาลโบราณนี้ผู้สิงคุณธรรมนาพระนิพพานความพทุกข์ได้มาเบาๆฟรีๆไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวเข้าใจไหมทีนี้เราเสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของเสียวัตถุนั้นเราโกรธเขาาจ้างคนไปฆ่าเขาใช่ไหมจ้างสานความตัดสินให้เลยเหรอเห็นไหมเพอาตัวโรคตัวโกรดตัวหลงตัวกิเลสใช่ไหมทําให้เสียเงินน่ะ เนีเสียคุณค่าเข้าไปีเนี่ยไอตัวรักกิเลสไม่ต้องเสียอะไรเนี่ยยกลูกเนี่ยยกมือรู้สึกๆื่อไม่เฉยมันเสียเงินที่ไหนเนี่ยมันมันตัวปัญญาพ้าไปไอตัวลูกค้าไปแต่แต่ลูกที่เฉยแต่ว่าเราเสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของให้พระเนี่ยเพื่อพระจะได้ปฏิบัติตรงๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปธมาหากินเลยจะได้มาสอนพวกเราเข้าใจไหมเออช่วยให้พันไปไวๆถ้าจะได้มาสอนพวกเราให้พ้นทุกเนี่ยต้องเออเสียค่าน้ําค่าไฟให้หน่อยเสียอะไรให้เนี่ย ไม่ต้องพระประทั น, ทนาเสียค่าน้ำค่าไฟแล้จะเอาเวลาที่เนี่ยปฏิบัติจะเอาเวลาแบบแบบก็สอนเราเนี่ยมาสอนเราให้พ้นทุกได้อนะก็ต้องปล่อยให้ท่านไปอยให้เราก็ทุกวันนี้เราอยู่ก็ได้สบายไม่คาไม่แกงไม่ปนกัน็อยู่ด้วยอารมณ์ของพรนิพานอะย่างไม่เบียดเบียนกันอย่างนะนะไม่เอาเปรียบกันไม่เบียดเบียนกันไม่ค่มเหงกันนั่นเองที่ว่าทุกวันนะั้นก็เคยอยู่ด้วยพระนั่นเอง พระไปผู้ประเสริฐอยู่อยู่ได้เขาพูดประทังประสงค์เลยอยู่ได้ธรรมะที่พ้นทุกข์เลยอยู่ได้ภาพในผ่านเองเข้าใจอ่ะทีนี้จริงๆเราก็เผลอไปเอาเปรียบไปโลภไปโกรธไปหลงแล้ไปนั่นของกิเลสเกิดขึ้นบ่บ่แบลงเเนี่ยจะเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยทีนี้เราก็มาควบคุมยังให้ตัวโลภตัวโกรธตัวหลงเกิดขึ้นในใจที่ควบคุมยังไงก็คือตัวรู้สึกการู้สึกซึ่งรู้เช็ครู้เปล่านี่ตัวนี้ยมันจะกลายเป็นตัวสติตาตาแล้วมันจะกันอยู่เนี่ยทีนี้ถ้า ตัว ส, สติเนี่ยมันอู่ทุกวินาทีมันรู้สึกรู้สึกรู้สึกเยู่ไอตัวหลงโลภหลงโกรธหลงลหลงลมันเข้ามาไม่ได้ก็เรียกว่าสติการเรียกว่าทียิบเลยน่ะไม่มีช่องว่างให้กิเลสเข้ามาเกิดนี่แหละจึงจงึงฝึกตัวเคลื่อนไหวเข้าไวกันแจมะใครสนัด จ, จะเอาลมก็ได้หลวงพ่เขาก็เขียนบอกว่ายกมือขึ้นตรงนี้เนี่ยหายใจเข้าก็ได้ยกมือเนี่ยเอาหายใจออกก็ได้ยเี้ท่านหลวงพ่อท่านนั่งอยู่หลวงพ่อท่าน ใ, นใกล้ท่านขยับมืออยู่แทคเนี้นั่งขยับมือเนี้ยทําทอย่างเนี้ย ขยับขยับแค่เนี้ยท่าทำเบาๆเห็นี้สแสดงว่าสติความรู้สึกตัวมันค่องแคล่วว่องไวแล้วทำเบาๆก็ได้ทําลมก็ได้เลแต่พวกเรานี่สติมันยังชามันยังหยาบเดี๋ยจึงอาทําตัวหนักๆ น, นะกะเืยเท้า่าเงี้ยหรือยกเบื่อเนี่ยลูกบางทีเวลามันคิดนะทำไงเดินเนี่ยกะเืยเท้าตึงต้งๆอยู่นี่อยู่นี่อยู่ที่ความรู้สึกนี่มับางทีมันขึ้นมาเอามือเขาะหน้าผากปุ๊กปกุปก ป, กปกอยู่นี่อยู่นี่อ ย, นอย่าคิดเลท่านทาแบบนี้นะ เ็ตัวนี้แหละนะรับประกันลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนนะลูกศิษย์เทียนเป็นประเนก่ประโยชน์ตั้งหลายองค์หนึ่งท่านเจ้าคุณประยุทธ์จนาจังหวัดสิงห์บุรีจบปริญญาตรีนั่นเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนเป็นลูกศิษย์คนรุ้หนังสือนะเห็นัหรู้ใจทาใจได้หลวงพ่อมาหาหลายประเนการประโยชน์ดรพระสององเห็นะนั่ น, น, นก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเขียนเรามาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อของเขียนด้วยนะไปอยู่อเมริกามากับมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อขงเขียนหนึ่งปีี่นะ เพราะว่ารู้แต่ตารารู้จาๆนะไม่พ้นทุกจะ ต, ต้องรู้ใจรู้รู้ทัดรู้ตรงๆเข้าไปอย่างนี้แล้วก็มีองค์หนึ่งเป็นด็อกเตอ ร, ร์เหมือนกันนะเป็นพระประเหรียญเก้ประโยคเป็นรองเจ้าอาวาสวัดไหนไม่ทราบอาจารย์รุ่นไปฝึกเขาไปสอบว่าไ ป, ไปเป็นวิปัสสนาจารย์ไปสอนโยมเหมือนนท่านอยู่ท่านมาจากสํานักไหนวะมาจากหลวงพ่อคําเขียนเป็นลูกสิลป์วัฒน์โอ้ผ่านผ่านเลยไม่ต้องสอบเลยเหมือนไม่ต้องไปสอบเลยเหอน เป็นได้แล้วงั้นเป็นอาจารย์สอบคนได้แล้วงั้น <c oughs> ดูเนี่ยเขาบอกประกาศ ไ, ได้เลยบอกว่าเพราะมันมีสติรู้สึกตัวโซ้อมันงั้นมันมีสติที่จะสอนตนเองได้แล้วที่จะสอนผูอื่นได้แล้วงั้นอ่อเดี๋นี้ก็ส่งกวรเก็บเวลานะของเราที่เนี่ยที่ข้างว่าถ้าจิตใจเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่ทุกเราก็หม่เบียดผู้อื่นให้โลภให้โกรธให้ถนแต่เราเป็นพระแล้วเข้าใจไหมเป็นพระแล้วกลายเป็นอะไรใช่ไหมว่ามันน่ะ เนี่ยผ้าเนี่ยตีวอเหลืองผระอย่างขี้โรคขี้โกขี้โรคทุกเนี่ยผ้าเหลืองห่อขี้หมาเนี่ยอย่างโยมเนี่ยผ้าิลิวจะใจรคไม่โกไม่หลงเลยนะว่าผ้าชิลิวหอห่อฟองคำเข้าใจไหมถ้าจะโยมจัขี <ints> ้โรคขี้โกขี้หลงผ้าชิลิ่วหอขี้หมามันกันอ่าเข้าใจไมอ่าตอนนี้อะสังเกตจะได้เนใจตัวเองไว้ไปเลยเห็นคนเดินผ่านเนี้ยจะไปทักว่าผู้หญิงผู้ชายคนหนุ่มคนสาวก็เท่าไรลูกน้ รูปน้ำเ eh. นี่ยักแค่นี้พอเนี่ย น, นี่คืรูปน้ำนี่ครูดน้าทั้งหมดนะรูดน้ำรูดน้ำโง่โก็ขี้รคขี้กงขี้หลงทุกต่อไปรูดน้าไหนมีศรีปัญญามีสุทธิวพรูดน้านั้นก็พ้นทุกทุกขณะแค่นั้นเองขอญาตโยมทั้งหลายตกีดวงตาเห็นธรรมเห็นรูปน้ำซื่อๆเฉยๆมีดวงตาเห็นธรรมดับทุกข์ด้วยกันทุกท่านเทอน